ตั้งใจเรียนเขาศานะ ส, สนาพุทธจริงๆคำสอนของท่านไม่ได้ยากนะแต่ประณีตไม่ลึกลับนะแต่ลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นตามท่านสอนได้ทุกเรื่องทุกเรื่องอย่าว่าแต่คำสอนของท่านเลยคำสอนที่หลวงพ่อเอามาถ่ายทอดคำสอนของท่านบางส่วน เล็กน้อยที่หลวงพ่ อ, อามาเทศให้ฟังบางคนไปฟังซีดีภาวนาตามไปอเออมันจริงนะมันเห็นจริงได้ทุกเรื่องทุกเรื่องความจริงเป็นความจริงเท่านั้นเองเป็นความจริงที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นความจริงไม่ใช่ เ, เรื่องลึกลับเป็นเรื่องเปิดเผยแจ่มแจ้งคนมีตาดูก็มองเห็นนะไม่มีก็มองไม่เห็น ให้เรามาฝึกให้เราได้ดวงตาธรรมะมีอยู่แล้วแต่ไม่มีตาจะเห็นให้เรามาฝึกให้ได้ดวงตาที่จะไปเห็นธรรมะพระโสดาบันก็คือคนที่ได้ดวงตาธรรมะมีอยู่แล้วความจริงมีอยู่แล้วเรียนธรรมะเรียนลงไปธรรมะมีสองส่วนส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นธรรมะ เรียนโดยในรูปธรรมนามธรรมนี้แหละถ้าเจ่มแจ้งในรูปธรรมนามธรรมแล้ววันหนึ่งจะไปรู้จักธรรมะที่พ้นจากรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมล้วนๆเลยไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเป็นสัจจะเป็นความจริงล้วนๆนี่เราก็ฝึกให้ได้ดวงตาการจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ต้องภาวนาเมื่อวานบอกแล้วเดินอยู่ในทาง ที่พระพุทธเจ้าวางหลักสูตรไว้ให้หลักสูตรของท่านชื่อไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขามีสามบทพวกเราอย่ามักง่ายพูดว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมักง่ายถ้าพูดให้ถูกต้องว่าเราเรียนอะไรเราเรียนศีลสิกขาสิกขาแปลว่าศึกษาสิกขาเป็นภาษาบาลีคนไทยคุ้นกับภาษาสันสกฤต คำว่าศึกษาศนะีลสิกขาเรียนเรื่องศีลจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตปัญญาศิกขาเรียนวิธีเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของรูปของนามนะก่อนจะมาเจริญปัญญาหเห็นความจริงของรูปของนามได้ต้องมีศีลนะมีศีลสิกศิขามีจิตสิกขาแล้วก็ถึงมาเดินปัญญาศิกขามีบทเรียนนะข้ามขั้นไม่ได้หรอก นบางทีพวกเราฟังพูดเอาง่ายๆศีนสมาธิปัญญาพอเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตศิกขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีสองแบบแล้วคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยพุโทโธพุทโธหายใจไปเรื่อยอะไรเนี่ยจิตสว่างสว่างขึ้นมาในจิตสงบนัโลคประทาตหายไปนี่แหละได้สมาธิไม่รู้ว่าสมาธิมีสองอย่างต้องเรียนเรื่องจิตถึงจะรู้ว่าสมาธินั้นมีสองแบบ สมาธิเป็นมีสองอย่างอันหนึ่งเป็นความสงบของจิตอันหนึ่งเป็นความตั้งมั่นของจิตความสงบของจิตกับความตั้งมั่นของจิตไม่เหมือนกันนะสองชนิดนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเมื่อหลวงพ่อคิดเอาเองนะในคำพีเราก็พูดถึงสมาธิสองชนิดนะชื่ออารามณูปนิชานกับล an. ักขณูปนิชานเมื่อวานก็พูดให้ฟังนะ อารามณูปนิชานเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นเรื่องของการทําสมถกรรมฐานจิตศิกขาไม่ใช่แค่เรื่องทําสมถกรรมฐานนะไม่ตื้นขนาดนั้นจิตศิกขาจริงๆเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมต่อการเจริญปัญญาเป็นเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมกับการเจริญปัญญา alter. ไม่ใช่แค่ทําจิตให้สงบจิตให้สงบยังเจริญปัญญาไม่ได้ต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงเจริญปัญญาได้ อารมณูปนิชานี่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วิ่งพล่านๆไปในอารมณ์โน้นทีหนึงอารมณ์นี้ทีหนึ่ ง, งจิตก็สงบจิตของเราปกติเนี่ยวิ่งตลอดเวลาวิ่งไปหาอารมณ์ที่เป็นรูปบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นสิ่งที่มากระทบสัมผัสร่างกายบ้างเป็นเรื่องที่รับรู้ทางใจบ้างเรียกว่าวิ่งหาอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์รูปนะ รูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมรมณ์ธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจอารมณ์ที่รู้ด้วยใจนี่เป็นอารมณ์ที่กว้างขวางที่สุดอารมณ์ที่รู้ด้วยตามีอย่างเดียวคือสีอารมณ์ที่รู้ด้วยหูมีอันเดียวคือเสียงอารมณ์ที่รู้ด้วยจมูกมีอันเดียวคือกลิ่นอารมณ์อารมณ์ที่รู้ได้ลิ้นมีอันเดียวนะคือรสอารมณ์ที่รู้ด้วยกายมีหลายอย่างแล้วมีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งน ความตึงความไหวคือนธะาตุดินธาตุไฟธาตุลมนี่รู้ด้วยร่างกายอารมณ์ที่รู้ด้วยใจกนะว้างกว้างนะเป็นเรื่องราวที่สมมุติบัญญัติเรื่องราวที่คิดนึกขึ้นก็ได้ไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นานมธรรมเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะอารมณ์ที่รู้ด้วยใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปบางอย่างนะอย่างรูปน้ํารู้ด้วยใจนะรูป ที่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวเนะี่ยอย่างเราหลับตาเราเคลื่อนไหวเรารู้ด้วยใจรู้ด้วยใจได้เีอย่างเขาเรียกว่าวินยัที่รูปพวกรูปที่เคลื่อนไหว ร, ามมาททหรู้ด้วยใจนามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจตัวที่ธรรมารมณลอยกว้างขวงตั้งแต่สมมติบัญญัติจนถึงรูปบางอย่างนามทั้งหลายแล้วก็นิพพานนี่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมารมณเนี่เราค่อยๆศึกษานะ จิตปกติมันวิ่งพล่านไปเดี๋ยวก็วิ่งไปดู mm. เดี๋ยวก็วิ่งไปฟัง mm. เดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเราสังเกตตัวเองไหมจริงไหมมันจะเห็นเลยจิตน่ะวิ่งพล่านตลอดเวลาในใั่นแหละจิตไม่สงบลนะ่ะจิตมันวิ่งพล่านนะวิธีฝึกจิตให้สงบนะมีเคล็ดลับหลวงพ่อกว่าจะได้เคล็ดลับว่าฝึกอยู่นานนะฝึกสมถะอยู่ตั้ง22ปีนะ่นะเคล็ดลับของการทําสมถะก็คือต้องเลือก หาอารมณ์ที่จิตมันชอบใจมาล่อมันมาเป็นเหยื่อล่ออย่างปลาว่ายน้ำไปทางโน้นว่ายน้ำไปทางนี้เนี่ยเอาเหยื่อไปล่อวะมาว่ายมาหาเราจิตนี้เหมือนกันนะวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพลานตลอดเวลาวิ่งพลานไปทางใจมากที่สุดคิดทั้งวันวิธีที่จะให้จิตสงบไม่วิ่งพลานไป อารมณ์ที่จิตชอบอกชอบใจอารมณ์ที่จิตไปรู้แล้วมีความสุขมาให้มันมาเป็นเหยื่อล่อมันมันเหมือนเด็กจิตเหมือนเด็กสุกสนออกไปนอกบ้านห้ามมันไม่ฟังนะเผลอแป๊บเดียวหนีไปเที่ยวอีกละ้ะหาอารมณ์ที่ชอบใจมาล่อมันเช่นเอาไอติมมาล่อมันเด็กมันมากินขนมนะมันก็ไม่หนีไปสนที่อื่นเดี๋ยวนี้มีของที่ล่อเด็กได้มากกว่าไอติมิกอะไรรู้ไหมอะ เกมใช่อินเทอร์เน็ตเกมเล่ามันอยู่ในห้องทั้งวันเลยมันไม่ออกจากห้องเลยหมกอยู่งั้นทั้งวันอยู่ในโลกของมันเมันมีความสุขนะมันไม่ไปที่อื่นเด็กมันมีความสุขเล่นเกมเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืนเรียนหนังสือไม่ได้นะเรียนหนังสือไม่ไม่มีความสุขก็หนีไม่อยากเรียนแต่พอให้เล่นเกมมีความสุขไม่หนีไปไหนเลยก็เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนนะเรียกให้กินข้าวยังไม่ค่อยจะกินเลย บางคนกินไปเล่นเกมไปใช่ไหม ย, ย, ยัดใส่ปากอีกคำแล้วเล่นตาถลนอยู่นั้นแหละผู้ใหญ่วักทีนึงก็ยัดใส่ปากอีกคํานึงอะไรอย่างเงี้ยยิ่ข้าวจะบูดแล้วมันยังกินไม่เสร็จเลยนะจิตนี่มันเด็กจิตน่าจะวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ต่างๆเสมอถ้าเรารู้จักรอมันะหลอกล่ อ, ลอจิตดวงนี้หาอารมณ์ที่จิตนี้ชอบใจมาหลอกล่ อ, ลอให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะสงบนี่คือเคล็ดลับนะ คล็ลับของการทําสมะถะกรรมฐานต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะีอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธมีความสุขนะหายใจไปด้วยทีแรกมีพุทธโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอจิตเริ่มสงบมากขึ้นนะก็เหลือแต่ลมหายใจพุทธโธหายไปนะพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะหายเป็นลําดับลําดับไปนะเหลือความสว่างความว่างความสว่าง มีความสุขอยู่กับความว่างความสว่างอะไรเงี้ยนะจิตเมื่อเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาเลือกดูว่าจิตของเราอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราเอาอารมณ์มันนั้นนะแต่อารมณ์ น, นั้นมีข้อจากัดอย่างหนึ่งต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าอยู่กับอารมณ์ที่ยั่งกิเลสแล้วก็จิตไม่สงบจริงหรอกนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์ม น, นั้นจริงนะแต่จิตไม่มีสติปัญญาไปทำอะไรได้เลยอย่างคนไหนเคยอกหักมีไหม ยกมื่อให้หลงเพ่าดูใครเคยอกหักบ้างกล้าหาญหน่อยพวกที่เหลือเนี่ยพวกรักไม่เป็นใช่ไหม <laughs> หรือว่าพวกมีบุญรักปุ๊บสมหวังปับ๊บนะอกหักสังเกตไหมถ้าใครเคยอกหักจะรู้คิดทั้งวันคิดทั้งคืนนึก อ, ออกไหมคิดคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดถึงเขาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นรู้สึกไหมเดี๋ยวก็เป็นห่วงกลัวเขาถูกหลอกคําจริงตัวเองถูกเขาหลอกอีกที <laughs> ่จิตใจไปจดจอ่อใช่ไหมไปรักเขาไปจดจอ่ออยู่ยงั้นทั้งวั น, นจิตมีสมาธิไม่มีสมาธิจดจอ่อคิดแต่เรื่องเดียวอนี้แต่จิตเป็นอกุศลเศร้าหมองนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยเอามาใช้ทําสมถะไม่ได้ต้องเลือกอารมณ์ที่เป็ น, ปนไม่ยั่วกิเลสไม่ถึงขนาดว่าต้องเป็นกุศลหรอกนะแต่ว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะแค่อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะ จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือทําจังหวะก็ไดนะ้ตกปลาได้ไหมตกปลาตกปลาแล้วสงบคงเบ้งไปนั่งตกปลาใช่ไหมวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู้กับกองทัพของใครนะพวกโจโฉมยกมานะวางแผนไปสู้เขาเพราะฉนันะ้นตกปลาเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะจิตเป็นอกุศลอยากให้ปลามากินอย่างนี้ไม่เอาเรื่องอารมณ์ที่เป็นกุศลนะ ให้อาหารปลาได้ไหมให้อาหารปลาต้องดูก่อนว่าปลาที่ไหนถ้าปลาสลิดในบอ่อที่เราเลี้ยงไว้ค <c oughs> งไม่ใช่อะนะ <c oughs> ถ้าไปตามวัดบางแห่งเขามีวังมัดฉาเช่ไหมพูดสะเพาะเลยนะวังมัดฉาไม่เห็นมันเป็นวังตวงไหนาจริงเป็นวังน้ำโบราณเรียกพ่วงน้ำนี่เรียกวังซื้ออาหารให้ปลากินขนาดที่เราให้อาหารปลาจิมันจะมีความสุขนะทาทาน ทำทานไปจิตมีความสุขไปอย่างนี้ใช้ได้เรื่องอารมณ์ที่จิตมีความสุขนะแล้วก็อยู่กับอารมณ์ม น, นั้นมีความสุขสบายสบายต้องไม่ยั่วกิเลสนะหาหนังสือธรรมะมาอ่านก็ได้นะจิตใจเราฟุ้งซ่านมากไปอ่านพุทธประวัติไปอ่านประวัติพระสาวกหนะลวงพ่อสมัยก่อนเวลาทำงานเหนื่อยมากๆากนะบางวันภาวนาไม่ไหวนะอ่านประวัติ พภาษาวกบ้างพระพุทธเจ้าบ้างอ่านแล้วจิตใจมีความสุขนะแช่มชื่นเบิกบานอย่างงานประวัติภาษาวกนะตอนที่ท่านบนรรลุพระอราหันต์ตอนท่านบนรรนะลนะรรุพระโสดาบันอ่าแล้วสะใจโอ้ยซาบซึ้งถึงออกถึงใจอย่างบรรลุพระโสดาบันท่านจะบอกว่าจากของอุทธปาทิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญนะาณนะอุทธปาทิความอย่างรู้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแม้อ่านแล้วสะใจถึงอกถึงใจนะชอบชอบอยากบรรลุบ้างนะเวลาอ่านประวัติตอนท่านบนรรลุพระราหันนะก็จะบอกว่าท่านบนรรลุด้วยปัญญาวิมุติและเจโตวิมุตอันไม่กำเริบกลับนี่นะ ทำลายอาสวะกิเลสด้วยปัญญาวิมุตตและเจโตวิมุตตอันไม่กำเริบกลับนะชาติสิ้นแล้วพรมอาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอูยอ่านแล้วสะใจมีใครสะใจร่วมบ้างไหม <c oughs> อ่านตรงนี้นะโอ้โหรู้สึกจิตใจคึกคักนะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเนี่ยจิตสงบแนละ้วนะจิตสงบแนละ้วบางทีนะบางทีอาการหนัก อาการหนักมากๆขนาดอ่านประวัติอะไรเนี่ยใจชอมันไม่เอาแล้วมันฟุ้งแรงหาหนังสือการ์ตูนมาอ่านหลวพ่อเคยอ่านหนังสือการ์ตูนนะอ่านหนังสือการ์ตูนบางทีอ่านพล น, นิ ก, นกรกิมขวนใครเคยอ่านบ้างอ่านหนังสือที่มันสั้นๆหน่อยนะบางทีหาหนังสือสารคดีที่ไม่เครียดเนี่ยหลอกล่อจิตนะหลอกล่อจิตให้จิตมันผ่อนคลาย มีอยู่คนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะมาภาวานาแล้ววันหนึ่งฟุ้งแหลกเลยทําไงก็ไม่ลงนะนั่งสมาธิเดินโจงกลมอะไรไม่ลงหลวงพ่อถามเลยว่าชอบทําอะไรเขาบอกเขาชอบร้องเพลงถ้าเขาร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกไปร้องเพลงนะแต่พอมีความสุขแล้วให้รู้ว่ามีความสุขร้องเพลงแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยจิตก็กลับสงบได้นะแต่ต้องเป็นเพลงที่ไม่ยั่วกิเลสนะเพลงที่ยั่วกิเลสมากๆไม่ดีะ เพลงบางเพลงก็ยั่วกิเลสประเภทอะไรแฟนใครไม่มีป้ายแขวนคอเ อ, อ้อย่างเงี้ยใครเคยได้ยินไหมนะเพลงสมัยใหม่หลวงพ่อไม่เคยฟังแะ้ะไม่รู้ว่ามันร้องว่างไงหรือฉันรักผัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างนี้ไม่เอาอย่างงี้ยั่วกิเลสนะมีไหมรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยมีไหมมีเหมือนกันเหรอคงไม่ค่อยมีใครฟังแล้วนะมีไหม จเจริญสติเข้าไปรู้สึกตัวกิเลสเกิดแล้วรู้ทันมีไมมเพลงอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะนี่หลวงพ่อชอบบ่นนะว่าพวกเราถูกยั่วกิเลสเยอะอย่างนั่งรถมาทางมอเตอร์เวย์นะมีคัทเอามีเตกเรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยบอกไม่เห็นมีคาว่าสติสักคำเลยนี่ไปกรุงเทพข้างหลังกลับมานะมีสตินะมีป้ายแต่ติดอยู่ตรงด่านนะขับรถเรื้อความีสติอะไร เห็นมีอยู่ป้ายเดียวนั้นยั่กิเลสหมดเลยงั้นเราเลือกนะเราเลือกสมถะกรรมฐานไม่ยากหรอกนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเลือกอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลนะเลือกอารมณ์ที่จิตมันชอบอะแล้วอยู่กับอารมณ์ันนั้นอย่างต่อเนื่องนะงั้นหลวงพ่อแต่ก่อนชอบหายใจชอบพุทโธอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับพุทโธนะฟังธรรมะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีความสุขไหม บางคนฟังแล้วมีความสุขนะแต่ช่วงไหนกิเลสแรงๆฟังแล้วมีความทุกข์มากเลยเหมือนถูกด่าดตลอด <St Meth il> <c oughs> ตอนไหนฟังแล้วมีความสุขก็ฟังนะฟังจิตจะสงบได้สมาธิขึ้นมาแม้สมาธิไม่ยากหรอกนะอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อศาสของการทําสมาธิอารมณ์ที่ใช้ล่อเนี่ยไม่เลือกไม่จํากัดว่าเป็นอารมณ์ชนิดไหนไม่เหมือนกับอารมณ์ที่ใช้ทํำมิปัสสนา ต้องใช้อารมณ์รูปนามเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นอารมณ์มีหลายแบบอันหนึ่งอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาอันที่สองคืออารมณ์รูปนามอันที่3คืออารมณ์นิพพานสมถกรรมฐานเนี่ยใช้บัญญัติก็ได้ใช้รูปนามก็ได้ใช้นิพพานก็ได้มาเป็นอารมณ์อย่างที่เราฟังเพลงอ่านหนังสืออะไรนี่เป็นอารมณ์บัญญัติอ่านพุทธประวัติเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติ พิจรารณาความตายพิจรารณาร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัตนะิผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภะอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่คิดขึ้นนะอย่างนี้คิดไปคิดไปนะถ้าไม่คิดเรื่องโย่กิเลสจิตก็จะสงบได้นะเป็นอารมณ์บัญญัติก็ใช้ได้อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นนั่งไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจนะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจด้วยความสุขหายใจไปอย่างสบายมีความสุข จิตก็สงบได้เป็นนามธรรมก็ได้นะดูจิตดูใจดูไปสังเกตไหมจิตมันว่างๆไปดูความว่างๆของมันประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอะไรเงี้ยนี่ก็สมถะกรรมฐานงั้นต้องระวังนะตรงที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ได้เป็นวิปัสสนาเสมอไปหรอกคนที่ดูจิตแล้วขึ้นวิปัสสนาได้มีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ไปดูจิตดูจิตเป็นสมถะด้วยซ้ําไปต้องระวังนะอย่าไปนึกว่าดูจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไป ถ้าไปดูแล้วว่างๆไปดูความไม่มีอะไรไปดูความว่างๆหรือไปเพ่งให้จิตนิ่งองนี้เป็นสมถะกรรมฐานทั้งสิ้นเลยนะเป็นการทําอรูปประชันเพ่งอรูปอันแรกเลยเพ่งความว่างๆเขาเรียกว่าอาการสารนัญจา ย, ยตนะที่สองเพ่งตัวจิตชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะอันที่3ามเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะชื่ออากินจัญญายตนะ อันที่4ี่เนี่ยพอเราอยู่กับอากินจัญญายัตตนาบ้างจิตจะอ่อนเริ่มรังนะสัญญาอะไรพวกนี้ทํางานอ่อนลงอ่อนลงจะไปสู่เนวะสัญญานาสัญญายัตนณะคนซึ่งเข้าไปถึงอากินจัญญายัตนาเพ่งความไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเวลาให้บรรยายให้พูดนะจะคล้ายๆสภาวะของนิพพานงั้นพวกที่เข้ามาถึงอากินจัญญายัตนาจะคิดว่าตัวนี้คือนิพพานนแต่นิพพานชนิดนี้มีเข้ามีออก ตอนเข้ามาก็เข้าอากินจัญญาญตนะมีสภาวะเหมือนเหมือนนิพพานคล้คคายคล้านิพพานพอออกจากอ า, ยายนะกินจัญญาญตนะกิเลสกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยเพราะงั้นการเพ่งจิตนะการเพ่งจิตก็เป็นสมถะการคิดพิจารณาต่างๆนี้เรียกว่าอารมณ์ัญญัตินะการเพ่งรูปนะเป็นอารมณ์รูปธรรมก็ใช้ทําสมถะได้การเพ่งจิตก็ใช้ทําสมถะได้การไปรู้นิพพาน ก็ใช้ทำสมถะได้สำหรับพระริยาบุคคลถ้าไม่ใช่พระริยาจะจเอาอนิพานมาทำสมถะไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นนิพานนะเวลาพระริยะเข้าเขาเรียกว่าพระสมบัติผลสมบัติจะใช้นิพานเป็นอารมณนะ์ผลสมบัติเนี่ยจะประกอบด้วยตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่8ได้แต่ถ้าเข้าไปถึงสัญญาเวทยิตานิโรธถึงฌานที่9เรียกไ ม, ไม่เรียกว่าฌานนะแล้วเรียกว่าสมบัติ อันที่เก้าเนี่ยไม่ได้เอารูปเอานามมาเป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วนะดับลงไปเอานิพพานนะไปเอานิพพานเนีย่ยเวลาใช้พระสมบัติกนะ็ใช้เป็นที่พักผ่อนเพราะฉนั้นสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์หรอกอารมณ์อะไรก็ได้ถ้าจิตพอใจจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใจเอาอารมณ์นั้นนั้นะวันนี้สอนสมถะละเอียดหน่อยเนาะนานๆสอนทีก็แล้วกันสอนมากก็เดี๋ยวก็ฟุง้ง ฟังเรื่องสมถากับฟงคิดมากอยากได้ฌานนั้นฌานนี้ <laughs> ทางหลงมันเยอะนะน่าห่วงน่ะฝึกสมถะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีหลงหลงง่ายๆเลยยิ่งไปดูจิตดูใจดูไม่เป็นนะโอ้โหติดสมถะที่ประณีตมากเลยนึกว่าทำมีปัสนาไม่ทำหรอกเพ่งขิดให้นิ่งให้ว่างอะไรพวกนี้เพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรนะ นันสมถะเวีนพบๆหนึ่งนะเวียนตายเวียนเกิดไปอีกนี่เคล็ดลับนะก็คืออันแรกการทำสมถะทำให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขก่อนอารมณ์นั้นต้องไม่ยัว่วกิเลสนะแล้วอยู่ไปอย่างสบายๆนะอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปก็ได้อารมณ์นามก็ได้เนะพราะเราไม่มีนิพพานไม่มีอารมณ์นิพพาน ก็มีได้แค่นี้มีบัญญัติเช่นนั่งพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาษณนะพิจารณาอาหารที่เรากินเข้าไปว่าสกปรกอนะไรนี่เรื่องเรื่องพิจารณาเรื่องคิดเรื่องอะไรต่างๆนี้เป็นอารมณ์บัญญัติหมดเลยอ่านพระสูตรอ่านประวัติครูบาอาจารย์อันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติทั้งหมดเลยนะอีกอารมณ์หนึ่งก็รูปธรรมเช่นลมหายใจท้องฟองยุบขยับมือทําจังหวะเนี่ย นี่เป็นอารมณ์รูปอารมณม์นามนะดูความรู้สึกของตัวเองแล้วเพ่งจนมันนิ่งนี่เป็นสมถะสมถานี้ทาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำให้จิตใจได้พักผ่อนถ้าทำสมถะได้ให้ทำนะนี่บางคนหลวงพ่อบอกว่าให้หยุดก่อนไม่ได้ให้หยุดถาวรแต่ให้หยุดชั่วคราวเท่านะั้นบางคนติดเพ่งมานะติดเพ่งแข็งทื่อๆมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้ จ, จิตแข็งๆทื่อๆเครียดๆนะไม่สมถนจริงไม่สงบจริงเป็นการบังคับกดข่มรุนแรงใช้ไม่ได้นะไม่มีความสุขจริงหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสติตลอดเวลาพอเริ่มนั่งก็เคลิ้มหายไปเลยนะพวกนี้พวกที่ทำแล้วเคร่งเครียดหรือพวกที่ทำแล้วขาดสติอย่างรุนแรงนะหลวงพ่อจะบอกให้หยุดชั่วคราวก่อน มาเพิ่มสติก่อนมาเพิ่มสติก่อนพราสติเข้มแข็งสติมีเรี่ยวมีแรงนะต่อไปไปหัดทำสมถะต่อได้นะไม่ใช่เลิกเลยนะต่อไปเวลาไปรู้ลมหายใจก็จิตไม่ผิเพียงไปเครียดอยู่กับลมนะแล้วก็ไม่เคลอบเคลิ้มลืมเน้อลื ม, ล ม, ล ม, ลมตัวมีสติอยู่นะเป็นสมถะที่แท้จริงจิตสงบนะนี่สมาธิชนิดที่1 น, นะชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อาจะเป็นอารมณ์รูปนามอารมณ์มบัญญัติ หร อ, อารมณ์นิพพานก็ได้นี่สมถะกรรมฐานครูบาอาจารย์สอนไหมบ้างไหมนีอยู่ในตำราครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ก็มีคือหลวงปู่เทสหลวงปู่เทสเนะี่ยถ้าศึกษาประวัติท่านนะจะพาบว่าท่านเคยติดสมถะอยู่13บสามปนะีประมาณนี้นะตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเราแก่แล้วชักจําไม่ค่อยได้ท่านติดสมถะอยู่เกิน10ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง15นะเพราะนท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากนละย ท่านสอนสมาธิสองแบบสมาธิอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานสมาธิอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้เป็นคําบัญญัติของท่านคําว่าฌานของท่านเนี่ยตรงกับคําว่าอารามณูปนิชฌานนั่นเองส่วนคําว่าสมาธิของท่านเนี่ยจะตรงกับคําว่าลักขณูปนิชฌานการเห็นลักษณะอารามณูปนิชฌานหรือที่หลวงปู่เทสเรียกว่าฌานคือเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแนบอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว เช่นเรารู้ลมหายใจจิตว้กเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตเกาะ อ, อยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเลยได้สงบไหมได้สงบนะแต่ไม่มีปัญญานิ่งๆอยู่งั้นไปเดินจงกรมจิตเกาะ อ, อยู่ที่เท้านะหรือยืนเดินนั่งนอนเกาะ อ, อยู่ที่ร่างกายทั้งร่างกายเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยนะอันนี้หลวงปู่เทศเรียกฌานถ้าภาษาปริยัติจะเรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานนะคือตัวที่หลวงพ่อบรรยายมาตั้ง20นาทีนี่แหละ มีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนแต่ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญญาธรรมราเรียกว่าลักขณูพนิชฌานโลพุตเทศเรียกว่าสมาธิท่านแยกฌานกับสมาธิจริงก็คือสมาธิสองแบบนึงลักขณูพนิชฌานเนี่ยไม่ใช่สงบแต่ตั้งมั่นสงบกับตั้งมั่นนั้นแตกต่างกันสงบนั้นจิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วไม่หนีไปสู่อารมณ์อื่นนี่เรียกว่าสงบ อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นนี่สงบในขณะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งอยู่อันเดียวอารมณ์เนี่ยสารพัดอารมณ์เคลื่อนไหวได้อารมณ์เคลื่อนไหวได้นะนนะแต่จิตนั้นมันเป็นแค่คนดูมันทําหน้าที่อันเดียวคือทําหน้าที่ดูเนี่ยคือจิตที่มีลัคนูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาถามว่ามีอารมณ์ได้กี่อารมณ์มื่นอารมณ์ก็ได้แสนอารมณ์ก็ได้ไม่สําคัญนะไม่เหมือนกับ อารมณนุปนิชฌานนะมีอารมณ์อันเดียวนะมีจิตอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวส่วนรักขณูปนิชฌานเนี่ยมีจิตอันเดียวมีอารมณ์นับไม่ถ้วนนะแตกต่างกันนะนี่เราจะต้องค่อยฝึกวิธีที่จะฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยหัดแยกสิ่งที่เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันนะหัดแยกสิ่งที่เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันนะเช่นนั่งสมาธิพวกเรานั่งอยู่ค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายที่นั่งเนี่ย เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างนี้นะร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดพุทโธอยู่ก็เห็นอีกพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนท่องพุทโธจิตเป็นคนรู้พุทโธดูท้องฟองยุบอยู่ก็เห็นน่ท้องฟองยุบเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่จิตเป็นคนรู้ท้องผ่องยุบเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นผู้ผู้รู้ว่าเดินดูอย่างนี้นะ ค่อยๆหาแยกมีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้อารมณ์ออกมาหัดแยกอารมณ์กับอารมณ์เนี่ยโดยศัพท์เทคนิคนะเทคนิคข้อเท็มศัพท์เฉพาะของพระพุทธศาสนาคําว่าอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ตัวนี้ตรงกับคำว่า objective ไม่ใช่อิโมชันนะต้องต้องแยกนะพวกจิตแพทย์เดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดเรื่องอารมณ์ก็คิดถึงถึงความรู้สึกพวกนั้นอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะั้นสิ่งที่ถูกรู้มีได้ตั้งแต่บัญญัติ มีรูปธรรมนามธรรมมีนิพพานนะส่วนจิตนั่คืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์เราจะฝึกเจอทั่งจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์เนี่ยมันทําหน้าที่สักว่ารู้ว่าเห็นนะมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเห็นอารมณ์ผ่านมาผ่านไปจิตไม่กระโดดเข้าไปกลุ้กด้วยนะจะฝึกให้ได้ตัวนี้ขึ้นมาไม่ยากเกินไปจิตตัวคนที่ฝึกมาถึงตรงนี้หลวงพ่อจะบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วที่เคยบอกนะความจริงเพิ่งจะ ถึงจุดสตาร์ทที่จะเดินปัญญาเองนะจะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราต้องฝึกให้ได้ตัวนี้สมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เมื่อประมาณเกือบเกืบสาปีก่อนนะตะเวนเรียนจากครูบาอาจารย์เข้าวัดไหนท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้เท่านั้นเลยนะฝึกให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รูนะ้ไม่ได้ฝึกให้สงบอย่างเดียวนะแต่ฝึกให้มีผู้รู้ขึ้นมา แล้วก็มาหัดวิธีฝึกผู้รู้เช่นหายใจไปพุทโธไปเห็นลมหายใจนี่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้ท่องพุทโธไปนะเห็น <child S 2> ว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้จิตเป็นคนไปท่องพุทโธเนี่คยค่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะความเจ็บความปวดเกิดขึ้นในร่างกายนั่งสมาธินานมันปวดมันเมื่อยนะเห็นในะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนไปรู้มัน ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะกูสนนะกูสนเกิดขึ้นในจิตในใจเนะช่นความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกเนะนี่ยเราฝึกนะจนกระทั่งมันมีจิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาธาตุขันทั้งหลายมันจะกระจายตัวออกไปนะจิตจะเป็นคนดูตรงเนี้ยจะเริ่มต้นแล้วเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปเดินมิปัสสนาไดนะ้จิตจะตั้งมั่นตัวนี้ไม่ยากนะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆ เพื่อเราคอยสังเกตจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปนี่อีกวิธีหนึ่งนะง่ายๆจิตชอบไหลไปคิดดูออกไหมต่อไปนี้ลองใหม่จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้อาการไหลเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้อยู่นะแล้วก็เห็นจิตไหลไปคิดพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนเพราะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเนี่ยกลับข้างกันตรงข้ามกันเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันจิตที่คิดเมื่อนั้นจิตที่รู้จะเกิดขึ้นอันนี้ง่ายกว่าตะกี้อีกนะ ง่ายกว่าเรื่องไปหัดแยกอีกแต่หัดแยกนั้นจะมีประโยชน์ในขั้นเดินปัญญาถ้าแยกในแยกแยกแล้วเกิดผู้รู้ขึ้นมานะตอนเดินปัญญาน่ง่ายๆเพราะตอนจะเดินปัญญานี่ต้องมี2 อ, อย่างมีตัวผู้รู้ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ธาตุขันนี้ต้องแยกออกจากกันอีกกันหนึ่งมีสองงานนี้ถึงจะเดินปัญญาได้เพะั้นบางคนหัดควบเลยหัดแยกเลยนะจนกระทั่งเห็นจิตเป็นคนรู้แล้วขันมันแยกออกไปอันนี้แบบเรียนรวบย่อถ้าคนไหนเรียนอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจ คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไว้จิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้นะมันจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาเพราะจิตที่หลงไปคิดนี่คือจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบอัตโนมัติเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอารมณ์อารมณ์อันเดียวนั่นแหละเฉพาะหน้านะเห็นความฟุ้งซ่านไหลมาขาดปั๊บไปจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอยู่คนเดียวขึ้นมาจิตจะตั้งที่ลักขณะขณะนะงั้นเราหัดไปนะ วันนี้ลองไปดูก็ได้นะจิตแพทย์จิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้คอยดูเรื่อยๆบางทีจิตก็ไหลไปดูบางทีจิตไหลไปฟังบางทีจิตไหลไปคิดส่วนใหญ่ไหลไปคิดงั้นเราคอยรู้ทันถ้าถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาตัวที่จิตตื่นขึ้นมานี่แหละคือต้นทางของการที่จะเดินปัญญาล่ะหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าตรงที่รู้ว่าจิตคิดนั้นได้ต้นทางของการปฏิบัตินะงั้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเราจะได้สมาธิชนิดที่สอง ที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละจะสามารถเห็นลักษณะคือไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายทั้งปวงได้นะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่เห็นลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงได้ชื่อลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะนะอ้าวเชิญไปทานข้าววันนี้เรียนละเอียดเรื่องสมาธิหน่อยนะนิมนต์เลยครับองค์ไหนฉันนิมนต์